พุทธวิทยาเล่มหนึ่งพุทธประชยาฉบับพิสดารเป็นหนังสือพุทธประชญาเชิงวิชาการฉบับพิสดารที่อธิบายความรู้หลักธรรมตลอดถึงแนวความคิดการตีความด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายเป็นแนวใหม่ที่จะทำให้เข้าใจหลักธรรมในพระพุทธศาสนาได้อย่างละเอียดลึกซึ้งและถูกต้องที่สุดพร้อมทั้งหลักฐานที่มาวิชัดเจนจากคมภีพระไตรปิฎก เขียนโดยพรรัตนสุวรรณอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิแห่งมหาวิทยายลัยสงฆ์ของไทยผู้แปลและชำระพระไตรปิฎกอัธกถาดีกาฉบับมหาจุฬาผู้ก่อตั้งสำนักค้นคว้าทางวิญญาณและศูนย์พัฒนาศาสนาแคมสนซึ่งเป็นสถานที่สำคัญในการฝึกอบรมสมาธิและวิปัสสนาให้กับพระนิสิตของมหาจุฬามาจนถึงปัจจุบันหัวข้อที่สาคัญปฏิจจสมุปบาท วิญญาณในพุทธศาสนาธรรมชาติผู้สร้างสรรค์ชีวิตขันหการเกิดการดับการสื่อต่อของวิญญาณปรัชญาเรื่องวิญญาณของมหายานสูตรเว้ยหลังชาติหน้าทฤษฎีเรื่องการระลึกชาติมิจฉาทิฏฐิอันตะคาฮิกาทิฏฐิปัญหาที่ไม่มีใครคิดบรรดาหลักธรรมในพระพุทธศาสนา เท่าที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกทั้งหมดนั้นไม่มีธรรมหมวดไหนที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้มากเท่ากับเรื่องปฏิจจสมุปบาทเรื่องปฏิจจสมุปบาทพูดได้อย่างมั่นใจที่สุดว่าเป็นหลักพุทธศาสนาจริงๆเพราะมีหลักฐานแสดงไว้อย่างชัดเจนที่สุดว่าเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไวและเป็นหลักธรรมดั้งเดิมที่สุดจึงนับว่าเป็นเรื่องใหญ่ยิ่งมาก เรื่องนี้ไม่มีนักปราชคนไหนสงสัยเลยว่าจะไม่ใช่หลักพุทธศาสนาจริงๆนักบวชทุกคนต่างยอมรับเป็นเสียงเดียวว่านี่คือหลักพุทธพจน์ดั้งเดิมที่สุดและเป็นหลักที่มีอยู่ในพระพุทธศาสนาอย่างเดียวเท่านั้นเรื่องปฏิจจสมุปบาทยังเป็นหลักปรัชญาที่สามารถเรียนได้เหมือนกับเรียนวิทยาศาสตร์เพราะแต่ละหัวข้อมีข้อเท็จจริงยืนยันสามารถพิสูจน์ได้ทั้งสิน้น และทําให้เข้าใจหลักพุทธศาสนาอื่นๆได้ง่ายขึ้นเพราะหลักธรรมทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงนั้นเป็นสิ่งที่ขยายออกไปจากหลักปฏิจจสมุปบาททั้งสิ้นยิ่งกว่านั้นเมื่อเราเรียนเรื่องปฏิจจสมุปบาทเข้าใจลึกซึ้งแล้วจะทําให้เข้าใจปรัชญาแขนงอื่นๆง่ายขึ้นอีกด้วยหนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นด้วยความมุ่งหมายเพื่อที่จะให้เป็นหนังสือตําราวิชาการ และใช้ให้เป็นหนังสืออ้างอิงได้ฉะนั้นในหนังสือเล่มนี้จึงเต็มไปด้วยหลักฐานซึ่งส่วนมากอ้างมาจากหนังสือพระไตรปิฎกและได้บอกที่มาไวชชัดเจนทุกแห่งเพื่อสะดวกแก่การคนา้นคว้าคาชี้แจงในการอ่านหนังสือเล่มนี้ 1. ครั้งแรกให้อ่านตะลุยไปจนจบเล่มก่อน พบข้อความตอนใดที่สนใจและอ่านเข้าใจดีขอให้เขีดเส้นใต้ไว้หรือทางที่ดีก็คือลอกข้อความนั้นลงไว้ในสมุดแล้วให้เอาข้อความเหล่านั้นมาเรียงเป็นตอนๆและให้พยายามอ่านอีกลหลายเที่ยวจนกว่าความเข้าใจจะติดต่อเป็นเรื่องเป็นราวด้วยวิธีนี้ท่านจะเข้าใจเรื่องนี้ได้อย่างสมบูรณ์ สข้อความตอนใดที่อ่านไม่เข้าใจขอให้ผ่านไปเลยอย่าไปกังวลถึงเพราะข้อความตอนใดที่อ่านไม่เข้าใจนั้นจะไปมีอยู่ในตอนที่ท่านอ่านเข้าใจนั่นเองในหนังสือเล่มนี้ข้อความมีความหมายอย่างเดียวกันข้าพเจ้าเขียนไว้หลายจำนวนและเขียนโดยอาศัยหลักวิชาหลายอย่างทั้งนี้ก็เพื่อให้เป็นที่เข้าใจง่าย สำหรับนักศึกษาประเภทนั้นๆ 3. อ่านสา ร, รบัญเรื่องโดยละเอียดก่อนสา ร, รบัญได้ทำไว้อย่างละเอียดเท่ากับเป็นย่อความสั้นๆตัวเลขที่บอกหน้าต่างๆนั้นเป็นข้อความที่เกี่ยวเนื่องกันและจะช่วยให้มีความเข้าใจกว้างขวางขึ้นฉะนั้น ควรจะพลิกดูทุกๆหน้าที่ตัวเลขบอกไว้และควรอ่านข้อความในหน้าที่ใกล้เคียงกันด้วย